เมื่อมองฟ้าแม้มันเป็นคืนที่เงาเปื้นใจไม่ยอมไม่หาฉันรอจะคุยกับเธออยู่นอกรู w e e g b y คำคืนเธอคงฟ้านวันไม่รู้ใครเป็นไงเดืกดเดือดคำคืนเธอจะนึกถึงมังไม่ใครมารอฉันเพียงต้องการจะขอถอยควมไม่ดีสักคำแม้ได้ยินว่ารักฉันก็ยังไม่ไปต้องหลับหนั่น ยังไม่ไปต้องหลอกไหนตรงนี้ก็ตามแม่ได้ว่ารักฉันจะขอเป็นอย่างอยู่ปราจ ต้องหลับในตรงนี้ก็ตามไม่ได้ยินว่ารักฉันจะขอเป็นยามอยู่ประจําจนเช้าทุกวันไม่ได้ยินว่ารักฉันก็ยังไม่ไป แม้ทุกทุกคืนปังเงาฉันยังมีใจให้เธอแม้ทุกทุกคืนต้องหาฉันยังคงรอเสมอหวังให้เธอรักยา